ธรรมปัญญายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรมพุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยา น, นเว ส, สกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทมวิดิทัศสำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิต ตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงสายใจธรรมเขาสำโรงดงยา y a อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534 ครั้งที่สามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวน า, เ จ, นานนจเจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านคราวนี้จะได้พูดในเรื่องที่ว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาในคราวที่แล้วนี้อัตมาภาพก็ได้พูดไปในเรื่องตำแหน่งหือฐานะของการปฏิบัติทางจิตหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจในระบบของพระพุทธศาสนานี้การปฏิบัติหรือการฝึกที่เกี่ยวกับจิตใจนั้น ก็คือเรื่องของภาวนานิ่ภาวนาในระดับนี้เราจะพูดกันมากถึงคําว่าจิตภาวนากับปัญญาภาวนานี้ก็เพื่อความชัดเจนเราก็ควรจะได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาจิตภาวนานั้นก็แปลง่ายๆว่าการฝึกอบรมเจริญจิตใจหรือการพัฒนาจิตใจ ปัญญาภาวนาก็คือการฝึกอบรมเจริญปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาอันนี้จะมีข้อสงสัยเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าจิตกับคำว่าปัญญามีคนในสมัยนี้ก็ไม่น้อยที่สงสัยว่าทำไมจะต้องแยกจิตกับปัญญาออกไปต่างหากจากกันเพราะว่าเรื่องปัญญาก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตใจนิดเองเพราะฉะนั้น บอกว่าพัฒนาจิตใจอย่างเดียวก็น่าจะคลุมไปถึงปัญญาด้วยก็ เ, เลยจะต้องทำความเข้าใจกันเรื่องความแตกต่างระหว่างจิตใจกับเรื่องปัญญาความจริงนั้นในสมัยปัจจุบันนี้เองที่เราเรียนวิชาการจากตะวันตกก็มีเข้าถึงการที่มีการแยกระหว่างจิตใจกับปัญญาเหมือนกันแต่บางทีเราก็ไม่ได้สังเกต อย่างฝรั่งเนี่ยใช้คําพูดว่าหมายที่แปลว่าจิตใจจิตใจเนี่ยบางทีก็หมายรวมทั้งเรื่องของการใช้ปัญญาใช้เหตุผลแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ในหลายกรณีคําว่าหมายนี้จะใช้ในความหมายที่เป็นเรื่องของความคิดเหตุผลเป็นเรื่องของสติปัญญาอย่างเวลาเราพูดถึงคนที่เป็น ผู้มีสติปัญญามากเป็นคนสำคัญในบทศาสตร์คนพบอะไรไว้เราเรียกว่าเกรดหมล์อันนี้ก็ที่จริงก็ไม่ได้มองไปในแง่ของความรู้สึกหรืออารมณ์เลยจิตใจในแง่นี้หมายถึงปัญญาสมองหรือบางทีเขาก็มีการแยกในคำพูดทั่วไปบอกว่าหมายกับฮัดในกรณีนี้หมายก็เป็นเรื่องของด้านปัญญาด้านความคิดเหตุผล ซึ่งคู่กันกับฮาร์ดคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในบางทีเลี่ยงจะคําว่าหมายก็ไปพูดคําว่าเหตุกัฮาร์ดเฮดก็คือหัวสมองเป็นเรื่องความคิดเหตุผลแล้วก็ฮาร์ดเป็นเรื่องของจิตใจในด้านของอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดยิ่งกว่านั้นก็คือเราใช้คําว่าปัญญาด้วยคําว่าอินเทลเลกเป็นความคิดเหตุผล แล้วก็ให้คู่กับคำว่าอิโมชันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนีแสดงว่าประเพณีในสายตะวันตกก็มีการแบ่งแยกเหมือนกันเป็นอินเทลเลกด้านหนึ่งแล้วเป็นอีโมชันด้านหนึ่งซึ่งก็มองได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจแม้แต่ในเรื่องของการพัฒนาความจเจริญ ง, งอกงามของคนในทางการศึกษาก็มีการแบ่งเป็นความ เจริญงอกงามหรือพัฒนาการทางด้านกายและความเจริญพัฒนาทางด้านสังคมและข้อที่3ก็ความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการทางด้านอารมณ์หรืออิโมชันั่นและข้อสุดท้ายก็ความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการทางด้านปัญญาเดียกว่าอินเทเลกชวล development ก็เป็น development ทางด้านอิโมชันกับทางด้านอินเทเลกชวลทีนี้ Emotion หรืออารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละก็คือเรื่องจิตใจที่เป็นด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับด้านความคิดสำหรับทางพุทธศาสนานั้นการแยกในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนคือในตะวันตกแม้แบ่งกันไว้อย่างนี้แล้วแต่ว่าการใช้ก็ยังสับสนอยู่ทีนี้ในทางพุทธศาสนานั้นเรื่องจิตใจที่มุ่งในที่นี้ก็ เน้นไปในด้านเรื่องของอ m โมชันแล้วก็เรื่องปัญญาก็เรื่องของอินเทเลกซึ่งจะรวมไปถึงปัญญาระดับสูงเป็นวิสตัอะไรต่างๆเป็นอินไซด์ด้วยแต่ว่าให้แบ่งคร่าวๆอย่างนี้อันนี้ก็เทียบไปเห็นว่าในวิชาการสมัยปัจจุบันก็มีการแบ่งเหมือนกันไม้จะไม่ชัดเจนนัก ทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจชัดเจีเรามาพูดในแง่ของพระพุทธศาสนาพูดในแง่พระพุทธศาสนานี่เราแบ่งได้สองตอนตอนที่หนึ่งเราพูดถึงในแง่สภาวะธรรมหรือสิ่งที่เป็นไปนแต่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแง่นี้แล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาถือว่าปัญญานั้นก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจนี่เองถ้าเรียกกันเป็นเจตสิกอย่างหนึ่ง ทีอเราพูดถึงจิตเป็นเหมือนกับว่ามีตัวแกนแล้วเสร็จแล้วก็มีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของจิตใจนั้นภาษาพระเรียกว่าเจตสิกเจตสิกหรือคุณสมบัติของจิตนี้มีมากมายด้วยกันอย่างแนววิธรรมนี้ก็มีการแจกแจงออกไปถึง52บอย่าง แลในบรรดาเจตสิกห้าบสองอย่างหรือคุณสมบัติและอาการของจิตที่มากมายนั้นก็มีปัญญาเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของสภาวะธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี้ก็ถือว่าปัญญานั้นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจนี้เป็นการแบ่งแยกชี้แจงให้เห็นตําแหน่งของปัญญา ซึ่งในแง่นี้แล้วก็เป็นเพียงคุณสมบัติของจิตใจอาลัตทีนี้มาสู่แง่ที่สองแง่ที่สองก็เป็นการแบ่งแยกในกระบวนการพัฒนามนุษย์เป็นเรื่องของปฏิบัติการในแง่ปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย์นั้นปัญญามีความสำคัญอย่างยิ่งปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ เป็นตัวแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ทั้งสิน้นที่เรามีการศึกษาอะไรต่างๆนี้ตัวแกนที่เราต้องการจะพัฒนาคือปัญญาปัญญาเป็นตัวนำที่จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านอือ่นตามมาจกระทั่งในที่สุดนั้นปัญญาเมื่อเจริญถึงที่สุดก็จะทำให้บรรลุจุดหมายของชีวิตที่พระพุทธศาสนาว่าได้แก่ความหลุก้นหรืออิสรภาพ แต่มองได้ง่ายๆก็คือว่าปัญญานี่เป็นตัวทําให้มนุษย์เกิดอิสรภาพหลุดพ้นจากปัญหาได้ทําให้แก้ปัญหาได้อข้อสําคัญในเรื่องของมนุษย์ก็คือการแก้ปัญหามนุษย์เผชิญปัญหาแล้วเราพัฒนามนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาหรือทำไม่ให้เกิดปัญหาการที่จะแก้ปัญหาได้หรือทำไม่ให้เกิดปัญหาก็คือจะต้องมีปัญญาคือการรู้เข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ ตัวเองจนกระทั่งว่าสามารถปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องแล้วก็นำความรู้นั้นมาใช้ในการที่จะจัดสรรสิ่งต่างๆแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นปัญญานี้เป็นเรื่องใหญ่มากในเชิงปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนามนุษย์จึงถือว่าปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องยกขึ้นมาจัดไว้เป็นแดนหนึ่งเลยต่างหากเพราะฉะนั้นในเชิงปฏิบัติการพระพุทธศา ส, สนานี่ จึงแยกเรื่องการพัฒนาจิตใจไว้ส่วนหนึ่งกับการพัฒนาปัญญาไว้อีกส่วนหนึ่งหมายความว่าการพัฒนาจิตใจพร้อมทั้งคุณสมบัติด้านอื่นๆ น, นั้นถือว่ารวมอยู่ในเรื่องเดียวกันได้แต่เรื่องปัญญานี้จะต้องยกไว้เป็นพิเศษที่จริงนั้ น, นเรื่องการที่จะแบ่งแยกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาคือการจัดแบ่ง ปฏิบัติการของมนุษย์ในกระบวนการพัฒนาคนนี้ไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างเดียวกับสภาวธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนอย่างชีวิตของเราเนี่ยเรามีร่างกายกับจิตใจแต่ทีนี้ในเชิงปฏิบัติการอย่างในทางการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องพฤติกรรมของคน ซึ่งพฤติกรรมอันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในการแบ่งแยกชีวิตนั้นชัดเจ น, นก็เราก็ร่างกายกับจิตใจอย่างเงี้ยาพฤติกรรมเป็นเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องที่ออกมาอีกด้านหนึ่งในเชิงปฏิบัติการเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ว่าเรื่องสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้เข้าใจแต่ในเชิงปฏิบัติการนี้เราก็ต้องทําให้มันสอดคล้องที่จะได้ผลดีเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าเมื่อพระพุทธศาสนาแสดงถึงความจริงเกี่ยวกับสภาวธรรมหรือธรรมชาติเราก็จะได้ความรู้ไปแบบหนึ่งเช่นในแบบอริธรรมท่านแบ่งสภาวธรรมหรือความจริงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียกว่าปรมัตธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ตามความหมายที่แท้ จ, จริงเท่าที่มนุษย์จะรู้เข้าใจได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นปรมัตธรรมหรือสภาวธรรมสี่อย่าง ในกับจิตเจตสิกรูปนิพพานในชีวิตมนุษย์ก็จะมีจิตเจตสิกรูปแทนที่ท่านจะบอกว่าในกระบวนการพัฒนามนุษย์นั้นให้มาพัฒนาจิตเจตสิกรูปก็ไม่พูดอย่างนั้นเรื่องอะไรเราจะไปพัฒนารูปก็หมายความมันจะทําให้รูปนั้นขยายเติบโตขึ้นก็อาจจะมีความหมายได้อย่างมากก็ทําให้ร่างกายเติบโตซึ่งไม่ใช่เรื่องสําคัญในกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่เป็นการศึกษาเพราะฉะนั้น แทนที่จะไปจัดอย่างนั้นเราก็ต้องจัดในเชิงปฏิบัติการที่จะต้องทําว่ามนุษย์จะต้องทําอะไรเพื่อให้ชีวิตนี้เจริญ ง, งอกงามเราก็ไม่ได้จัดแบบว่าพัฒนาจิตพัฒนาเจตสิกพัฒนารูปจิตเจตสิกก็จะไปแยกกันพัฒนาตังหา ก, ก็ไม่ถูกเราแยกในะแง่สภาวธรรมเป็นตัวความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้แต่ในเชิงปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนามันไม่ใช่อย่างนั้นหรืออย่าง ขันห้าก็เช่นเดียวกันเราแบ่งสภาวธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในชีวิตของมนุษย์เป็นขันห้าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณทีนี้เราบอกว่าเราจะต้องพัฒนามนุษย์แล้วเสร็จแล้วเราจะไปพัฒนาโดยเอาตามขันห้าหรือบอกว่าพัฒนารูปพัฒนาเวทนาพัฒนาสัญญาพัฒนาสังขารพัฒนาวิญญาณก็ไม่ใช่อย่างนั้นในเชิงปฏิบัติการการพัฒนามนุษย์มันต้องจัดอีกแบบหนึ่งเพื่อจะให้มัน ได้ผลแก่ความเจริญงดงามของชีวิตจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้จัดในรูปที่ว่ามาพัฒนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็กลายเป็นว่ามาพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องสภาวธรรมสิ่งที่มีตามธรรมชาติด้านหนึ่งแล้วก็เข้าใจเรื่องปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนามนุษย์อย่างหนึ่ง ถ้าแยกอย่างนี้อาตมาว่าจะเขา้าใจชัดขึ้นก็ไปอันว่าพุทธศาสนานี้ถือว่าเรื่องปัญญานี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์แล้วก็เป็นตัวที่จะนําให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของการพัฒนามนุษย์ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์นั้นอยู่ที่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องปัญญานี้แยกมาไว้ส่วนหนึ่งต่างหากเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปคิดว่าในแง่นี้ก็ควรจะผ่านไปได้ ทีนี้ในการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญานี้ก็ต้องทาความเข้าใจกันอีกด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามนุษย์ทั้งหมดทีนี้การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนามนุษย์นี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปแยกต่างหากได้จากการพัฒนาด้านอื่นๆของชีวิตมนุษย์ เหมือนอย่างว่าในการเป็นอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตชีวิตของเราทุกด้านเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเราไม่สามารถจะแยกออกไปตั้งหากอย่างร่างกายกับจิตใจเนี่ยในการเป็นอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันทุกด้านของชีวิตนี่สัมพันธ์กันหมดชั้นใดการพัฒนามนุษย์ที่เราแยกออกเป็นด้านด้านนั้นก็เพื่อความสะดวกในการพิจรารณาในการที่จะจัดกระบวนการพัฒนา ให้ได้ผลดีแต่เราจะต้องตระหนักรู้ความจริงว่ามันไม่แยกต่างหากจากการโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงมันต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันการพัฒนาระหว่างจิตใจกับการพัฒนาปัญญาก็สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับปัญญาเท่านั้นมันยังสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยอย่างที่พระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ อย่างที่อาจามาได้กล่าวในตอนก่อนแล้วก็สุดแต่ว่าเราจะใช้ระบบการจัดแบ่งเป็นกี่ด้านเช่นถ้าใช้ใจสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาหรืออธิจิตอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญาหรือจะใช้เป็นภาวนาสี่ก็เป็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนานี้ทั้งหมดนั่นน่ะเช่นภาวนาสี่ทั้งสด้านก็สัมพันธ์อาศัยซึ่งกันและกัน หรือจะเป็นไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้งสาด้านนก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ได้แยกต่างหากจากกันโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวจะมาเข้าใจว่าอ๋อพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาก็เป็นเรื่องทําต่างหากออกไปหรือมองว่าเอา้าวถ้าสัมพันธ์ก็สัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับปัญญาเท่านั้นที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นด้านอื่นๆในระดับศีลก็ต้องมาสัมพันธ์กันด้วย ในตอนที่แล้วนี้อาตมาก็ได้พูดไปบ้างแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศีสมาธิปัญญาหรือว่าองค์ประกอบทั้งหมดของระบบการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาในตอนนี้ก็คิดว่าเพื่อความชัดเจนก็อาจจะพูดซะอีกครั้งหนึ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการพัฒนามนุษย์เช่นถ้าเราถือหลักลายสิกขานี้เป็นแบบเราก็พูดว่ามีความสัมพันธ์ ระหว่างศีลสมาธิและปัญญาหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างอธิศีนัติจิตอธิปัญญามองอย่างง่ายๆศีลก็มีความสัมพันธ์กับจิตใจและก็มีความสัมพันธ์โยงไปถึงปัญญาด้วยศีลก็คือความประพฤติดีงามสุดจริตทางกายวาจาที่แสดงออกในทางสังคมหรือต่อสภาพแวดล้อมถ้าคนเราไปประพฤติสิ่งที่ เป็นอันตรายเบียดเบียนผู้อื่นไว้เช่นไปทำร้ายเขาไว้เป็นรักของเขาไว้ก็จะมีจิตใจไม่สงบไม่สบายคิดหวาดระแวงหรืออาจจะมีความรู้สึกผิดเป็นต้นอย่างแรงก็คือการที่หวาดกลัวว่าเขาจะมาแก้แค้นหรือเขาจะมาจับกลุมไปลงโทษเพียงแค่นี้จิตใจก็ไม่สงบแล้วอันนี้ก็มีผลกระทบไปถึงจิตใจหมายความว่าศีลมีผลกระทบไปถึงจิตนี่ในด้านลบ จิตใจไม่สบายไม่มีความสุขทีนี้พอจิตใจไม่มีความสุขหวาดระแวงคิดหวั่นกลัวไปต่างๆใจก็ฟุ้งซ่านจะคิดจะพิจารณาเรื่องอะไรมันก็ไม่ชัดเจนคิดไม่ตกเพราะจิตใจนี้กระวนกระวายกระสับกระส่ายจิตใจที่กระสับกระส่ายจะคิดอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวก็ทําได้ยากเพราะฉะนั้นปัญญาก็ทํางานได้ไม่เต็มที่นะจากศีลก็มีผลกระทบมายังจิตใจจิตใจก็มีผลกระทบ มาถึงปัญญาหรืออย่างพูดเฉพาะด้านจิตใจกับปัญญาอย่างเราอยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องประชุมนั่งฟังปาแต่กัถานั่งฟังคำบรรยายจิตใจไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องกลุ้มกังวลหรือว่าแม้ไม่กลุ้มกังวลแต่ว่าปล่อยใจเลื่อนลอยคิดเพ้อฝันไป หรือว่านึกถึงเรื่องที่จะไปบันเทิงเรืองลมหลังจากออกจากที่ประชุมนี้ใจก็ล่องลอยไปคิดเรื่อยๆไปพอคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปืยไปใจลอยใจก็เรียกว่าไม่มีสมาธิพอจิตไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปก็แม้แต่ฟังสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ก็ไม่รู้เรื่องเวลวก็ไม่มีปัญญาที่จะมาพิจรารณาหาเหตุผลให้เข้าใจเรื่องนั้นๆ แล้นสภาพจิตใจก็มีผลกระทบต่อปัญญาหรือว่าถ้ามองให้ไปถึงศีลก็ได้เช่นในที่ประชุมนั้นมีแต่ความวุ่นวายมีคนทะเลาะกันจะตีกันอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่มีความสงบเราอยู่ในที่ประชุมนั้นก็พลอยมีความไม่สบายไปด้วยมีความเป็นห่วงกลัวว่าจะถูกลูกหลงหรือว่าจะ มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ทำให้จิตใจไม่สงบหมายความว่าระดับศีลพฤติกรรมนี้ก็มีผลมาทางฝันแตาทางจิตใจและพอจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิการที่จะรู้เข้าใจที่เป็นปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นหรือเป็นปรญยาเพะนั้นอันนี้มันส่งผลที่กระทบต่อกันทั้งหมดตลอดกระบวนการในทางบวกก็เช่นเดียวกันาหากว่า เรามีศีลดีเรียบร้อยเราประพฤติสุดจริตเราก็มีความปลอดโปร่งลงใจใจคอเราก็สบายยิ่งเราประพฤติอะไรดีงามเช่นไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อือ่นไว้นึกขึ้นมาบางทีเรามีความปลื้มใจปราบเรื่อยินดีในการกระทําของเรานั้นพอมีความปลื้มใจเราก็มีความสุขมันก็มีผลมาถึงจิตใจทีนี้พอจิตใจดีงามอย่างน้อยปลอดโปร่งสบายไม่มีเรื่องรบกวนใจใจไม่ฟุ้งซ่าน จะคิดอะไรก็คิดได้ดีขึ้นคิดได้ลึกซึ้งขึ้นมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นก็มีผลต่อปัญญาในทางกลับกันปัญญาก็ส่งผลมาต่อศีลแล้วก็สมาธิด้วยหรือต่อความประพฤติรือพฤติกรรมทางกายวจจาแล้วก็ส่งผลมาทางด้านสภาพจิตใจด้วยเพราะวาพอเรามีปัญญารู้เข้าใจอะไรต่างๆดีเราก็ ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเช่นเรามองเห็นเหตุผลในการอยู่ร่วมกันว่าทําอย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องทําให้อยู่ร่วมกันโดยสันติหรือโดยที่มีความสุขเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นปัญญาเป็นตัวบอกนําทางให้ดำเนินพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลได้ถูกต้องหรือว่าในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีปัญหาอะไรที่ติดขัดค้างใจยอยู่คิดไม่ตก พอมีปัญหาคิดไม่ตกมันก็เกิดความอึดอัดอัดอ้นใจก็ไม่มีความสุขเมื่อไรเรามีปัญญาคิดแก้ปัญหาได้มันก็โล่งไปมันก็มีความสุขสบายเพราะฉะนั้นปัญญานี้เป็นตัวสําคัญว่าในขั้นสุดท้ายสูงสุดนั้นปัญญานี้รู้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับโลกชีวิตทั้งหมดทําให้เราเห็นทางออกทําให้เราเห็นการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องปัญญาทำชี้นําให้เรารู้จักที่จะ ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องไม่เฉพาะปฏิบัติถูกต้องแม้แต่วางใจได้ถูกต้องเพราะเราเห็นทางออกรู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรวางใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรวางใจต่อโลกต่อชีวิตอย่างไรมันจะทําให้เกิดความปลอดโปร่งผองใสโล่งขึ้นมาอันนี้ก็มีผลต่อจิตใจที่สําคัญว่าจนกระทั่งถึงภาวะที่เรียกว่าอิสรภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจึงเป็นตัวที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก ในเรื่องของมนุษย์นี่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใ้ความที่ยังมีความขับข้องติดขัดอยู่ในระดับต่างๆมนุษย์เรานี่ตั้งแต่ชีวิตประจำวันเราก็จะประสบปัญหาพอแก้ปัญหาไม่ได้มันก็เกิดความคับเครียดขึ้นมาอักอันในจิตใจก็เกิดความทุกข์แม้จะดํารงอยู่ในโลกไม่มีปัญหาในชีวิตประจาวันเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ต่อสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเช่นความตายอะไรต่างๆเรื่องของชีวิตนี้ทั้งหมดที่เราไม่เข้าใจมันเป็นปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่มากดดันบีบคั้นชีวิตจิตใจจิตขัดขับข้องเท่านั้นเมื่อเราไม่สามารถหาทางออกกับสิ่งเหล่านี้ได้วางใจตัอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็ยังมีความทุกข์แฝงอยู่ไม่ระดับตื้นก็ระดับลึกไม่ระดับหยาบก็ละเอียดจึงกระทั่งทําให้มนุษย์เนี่ยจะมีความสุขถึงที่สุดไม่ได้ไม่มีสารภาพอย่างแท้จริง แต่ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเนี่ยมันจะทําให้เกิดทัศนคติเจตคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็วางใจวางท่าทีได้ถูกต้องแล้วก็พอวางท่าทีได้ถูกต้องมันก็เกิดความปลอดปร่งผองใสเกิดความสุขขึ้นมานี้สภาพจิตใจที่เป็นอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นพื้นฐานในการที่จะทําให้มนุษย์มีความสุขอื่นๆ เหมือนอย่างว่าในทางร่างกายของเราเนี่ยเราอาจจะไปหาความสุขต่างๆเอามาปลนเปล่าบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายของเราแต่ในตัวกายของเราเนี่ยถ้าไม่มีสุขภาพดีมีโรคอยู่เนี่ยแม้เราจะไปหาความสุขเหล่านั้นมาหาสิ่งมาบำรุงบำรเรือตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็หาได้มีความสุขแท้จริงไหมมันก็ยังมีความโรกรธกว่ายอยู่ภายในแม้เราจะมีที่นอนที่สบายเป็นฟูก เดีวก็มีสัมผัสเป็นสุขแต่ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีโรคภัยอยู่ให้ความเจ็บเจ็บปวดภายในความไม่สบายนั้นมันก็ทําให้เราหาความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางร่างกายเนี่ยต้องมีสุขภาพคือความไม่มีโรคเป็นพื้นฐานก่อนแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวความมีสุขภาพดีไม่มีโรคนี้ก็เป็นความสุขที่แท้จริงอยู่ระดับหนึ่งแล้วเป็นตัวความสุขที่แท้จริงโดย โดยสมบูรณ์ทีเดียวต่อจากนั้นมันจะเป็นฐานให้เราสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เข้ามาตา่างๆจมูกลิ้นกายได้เต็มที่อันนี้ก็เช่นเดียวกันในทางจิตใจถ้าจิตใจ ย, ยังมีปัญหายังมีความคลัง่งยังมีปมอะไรติดอยู่เนี่ยแม้เราจะมีความสุขที่เราแสวงหาเข้ามาจากภายนอกเราก็จะมีความสุขได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในทางศาสนาเนี่ย จึงไม่ได้ติดอยู่แค่ขั้นจิตใจแต่ให้ไปถึงขั้นปัญญาเพื่อจะชำระล้างให้จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งตัดปัญหากับโรคและชีวิตนี้ได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเหมือนกับว่าร่างกายที่ไร้โรคชั้นใดจิตใจนั้นก็มีสุขภาพดีสมบูรณ์ฉันนั้นมาจิตใจนี้เป็นจิตใจที่เป็นอิสระปลอดโปร่งพองสายโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็เป็นความสุขในตัวด้วยแล้วก็เป็นรากฐานเป็นฐานในการที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เข้ามา จากภายนอกอื่นๆทั้งหมดได้ด้วยนี่เราจรึงเน้นความสำคัญของการที่ว่าจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องปัญญาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ถึงอิสรภาพในสมบูรณ์ที่เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงจนกระทั่งปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องวางใจต่อโลกและชีวิตนี้ได้ถูกต้องอันนี้ตามาก็พูดมาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการพัฒนามนุษย์ ทั้งศีลทั้งจิตใจหรือสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็รวมความว่าถ้าหากว่าจิตใจดีก็ทำให้ปัญญานี้ทำงานได้ผลเต็มที่ในเวลาเดียวกันปัญญาดีก็ทำให้จิตนี้ได้มีทางออกเช่นคิดแก้ปัญหาตกทำให้ทำลายความติดขัดขับคล้องไปได้มีความปลอดโปร่งโล่อ ง, ลงลอาตมาจะขอยกตัวอย่างอีกง่ายๆอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศีลจิตใจและปัญญานี้เช่นอย่างว่าเราจะไปเป็นประธานในที่ประชุมสักแห่งหนึ่งซึ่งมีลำดับพิธีกรรมพอเข้าไปในที่ประชุมนั้นเราไม่รู้เรื่องว่าจะต้องทำพิธีอะไรบ้างสมมติว่าอย่างนี้พิธีกรรมนั้นก็คือพฤติกรรมในเรื่องศีลพอเราไม่รู้ขาดในระดับปัญญา จะเกิดอาการอะไรขึ้นมาก็คือว่าจิตใจกระโจนกระวายคนที่เข้าไปนําเป็นผู้นําในพิธีเป็นประธานไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างก็จะเกิดความกระสับกระส่ายโกวนกระวายใจใจจะไม่เป็นสมาธิแล้วออกมาเป็นพฤติกรรมก็อาจจะมีอาการกระสับกระส่ายทางร่างกายกระวนกระวายไปด้วยอันนี้เนี่ยนี่แสดงว่าปัญญานี่มีผลออกมาทางด้านพฤติกรรมที่ดนเรียกว่าศีลแล้วก็ทางด้านของจิตใจด้วย หรืออย่างเช่นว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาน่าหวาดกลัวเพราะเกิดเหตุการณ์น่าตื่นเต้นนี้เรามีความไม่รู้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอะไรจะแก้ไขยอย่างไรความไม่รู้นี้จะทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความประวัติคั่พึงเกิดความอึดอัดกัดกลุ้มเป็นอย่างมากจะไม่มีความสุขเลยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกพฤติกรรมที่ออกมาก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อย นี้ถ้าหากว่าเรารู้สมมติเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวนั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดมีปัญญาคิดในเรื่องนั้นได้ออกคิดหาทางออกได้คิดแก้ปัญหาได้รู้ว่าจะต้องทําอะไรพอเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เรารู้ว่าเราแก้ปัญหาได้แน่แล้วก็เราก็จะหลุดรอดพ้นอันตรายไปหรือทําให้เหตุการณ์กลับดีพอรู้ชัดเจนอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผลแน่นอนจิตใจเราจะหายกระวนกระวาย หายกระสับกระสายทันทีจิตใจเราจะสบายจิตใจจะสงบแล้วพฤติกรรมก็ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยตามลําดับตามขั้นตอนนั้นที่จะให้เกิดผลในการแก้ปัญหาได้เพะฉะนั้นปัญญานี่เป็นสิ่งที่สําคัญว่าในชีวิตประจําวันก็จะให้ได้เห็นกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในระบบ หรือกระบวนการพัฒนามนุษย์นี้เช่นในหลักของศีลสมาธิปัญญาให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างศีลสมาธิกับปัญญาที่ให้ผลกลับต่ไปกลับกันมาทั้งในทางบวกและทางลบและในกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดนี้จะเห็นว่าท่านวางเอาความรู้ความเข้าใจเบื้องตน้นหรือความคิดเห็นความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยเป็นข้อแรกคือสัมมา ท, ทิฏฐิเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจ เกี่กับสิ่งที่กระทําเป็นอย่างน้อยแล้วเราจึงจะเริ่มเดินหน้าไปในสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นสุดจึงต้องมีสมารถทีิความเชื่อความเข้าใจความเห็นถูกต้องก่อนและความเชื่อความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นสมาริที่นั้นจะเป็นตัวที่บอกเราให้ปฏิบัติในองค์มรรคข้ออื่นได้อยู่ในขอบเขตที่พอดี เพราะฉะนั้นสมาธิตินี้เป็นตัวบอกขอบเขตของข้อปฏิบัติอื่นทั้งหมดทำให้มรรคนั้นดำเนินไปอย่างพอดีเกิดดุลยภาพขึ้นมาอันนี้ปัญญาเนี่ยในแง่นี้จะเห็นว่าเป็นเบื้องต้นของกระบวนการพัฒนามนุษย์ทีนี้ในระดับที่สูงขึ้นไปเมื่อเราพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจเราก็มุ่งเพื่อพัฒนาปัญญานีเองเมื่อพัฒนาปัญญาไปจกนกระทั่ง ถึงขั้นสุดท้ายในที่สุดแล้วปัญญาจเจริญเต็มทีก็ปัญญานี่แหละจะเป็นตัวตัดสินที่จะนำเราเข้าสู่จุดหมายของชีวิตหรือการพัฒนามนุษย์นั้นตอนนี้มาพูดมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสีสมาธิปัญญาหรือพฤติกรรมแล้วก็จิตใจและปัญญาแล้วในชีวิตประจำวันมองเห็นกันอย่างนั้นได้ไม่ยากทีนี้ก็จะมาพูดในระดับสูงสุดในการพัฒนาระดับสุดยอดนี้ ตอนนี้มันจะเป็นการสัมพันธ์กันที่เน้นในระดับจิตกับปัญญาเพราะว่าระดับพฤติกรรมหรือศีนั้นเป็นระดับภายนอกปัญญาที่สูงสุดนั้นมันจะอยู่ข้างในบุคคลการที่รู้เข้าใจถึงที่สุดในสิ่ ง, ต, งต่างๆตอนนี้เราถือว่าหมดปัญหากับเรื่องศีลแล้วเรื่องพฤติกรรมนี้มันต้องมีพื้นฐานมันดีแต่ต้นแล้วอย่างน้อยก็เราไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่อง าทางด้านความประพฤติอะไรต่างๆหรือต้องแก้ปัญหาในด้านนั้นให้ลงตัวสักอย่างหนึ่งทีนี้เราก็มาสู่ระดับจิตกับปัญญาในระดับจิตใจกับปัญญาเนี่ยคามสัมพันธ์ในระดับสูงสุดนี้การพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยจะมีสับเรียกเฉพาะอย่างที่ตั้งเป็นหัวข้อไว้ว่าจิตภาวนาจิตภาวนานี้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสมถภาวนาหรือเรียกกันง่ายๆว่าสมถะ สมถะก็คือการฝึกอบรมจิตให้สงบนั่นเองอันนี้เป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจนี้ส่วนด้านปัญญานั้นที่เรียกว่าปัญญาภาวนาในการพัฒนาปัญญาระดับสูงที่จะให้เป็นการพัฒนาสุดยอดเข้าถึงจุดหมายทีเดียวนั้นก็จะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือการเจริญวิปัสนาหรือเรียกกันสั้นๆทีเดียวว่าวิปัสนา ในสองอย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กันการพัฒนาจิตใจให้สงบเป็นสมถะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสมถะหรือจิตภาวนาก็นำจิตไปสู่ความมีสมาธิเพราะจิตมีสมาธิแล้วก็จะเป็นบาทฐานนำไปสู่การเจริญวิปัสสนาดังนั้นถ้ามีคำกล่าวในทางพรศาสนาอยู่เสมอว่า เอาสมถะเป็นบาตรฐานหรือเอาสภาพจิตใจที่เกิดจากการฝึกสมถะเนี่ยเป็นบาตรฐานแล้วก็จเจริญวิปัสนาต่อไปในแง่นี้ตามหลักพระศาสนาก็คือว่าการพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าสมถะนั้นเป็นบาดฐานที่จะกล้าวไปสู่การพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาต่อไปแต่ตัวที่จะนําไปสู่จุดหมายแท้จริงคือวิปัสนาได้แก่การพัฒนาปัญญา ตอนนี้เราก็เห็นความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแล้วว่าสมถะการพัฒนานจิตใจนั้นเป็นฐานนำขึ้นไปสู่ปัญญาและปัญญาเป็นตัวนำสู่จุดหมายอีกทีหนึ่งสมรถะนั้นไม่สามารถนำไปสู่จุดหมายคือการที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยสิ้นเชิงอันนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องเห็นความสาคัญ ข, ของการพัฒนานจิตใจอย่างที่ว่าจิตจะต้องมีสมาธิ ยิ่งเราจะพัฒนาปัญญาอย่างสูงพัฒนาปัญญาในระดับที่เข้าถึงสัจธรรมเนี่ยเราก็ยิ่งต้องการจิตที่มีสมาธิอย่างแนบสนิทมากขึ้นเพราะจิตที่มีสมาธิแนบสนิทถึงขั้นนี้แหละจึงจะสามารถทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงถึงที่สุดได้แล้วแม้แต่ผลในทางจิตเองก็ต้องเกิดจากสภาพจิตที่มีสมาธิถึงความแนบสนิทเช่นเดียวกัน จึงจะทำให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติเปลี่ยนแปลงเจตคติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้นเราจะต้องมองถึงความเจริญงอกงามของจิตใจในระดับต่างๆการพัฒนาจิตที่จะให้มีผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ปรับเปลี่ยนเจตคติของมนุษย์ได้จะต้องเป็นการพัฒนาจิตที่ลงลึกไปถึงระดับสมาธิทีนี้เมื่อพูดถึงสมาธิแล้วก็เลยขอ อธิบายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสมาธินั้นก็บอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเป็นสภาพจิตที่ปรารถนาหรือที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาจิตใจเราพัฒนาจิตใจนี่มันก็เกิดสภาพจิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆแต่แกนรวมของมันเนี่ยอยู่ที่สมาธิสมาธิ สภาวะจิตที่แน่วแน่อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความสงบอยู่ในตัวแล้วมันจะประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆที่ดีงามอีกมากมายเช่นสติเป็นต้นทีนี้สมาธินั้นมีคุณค่าอย่างไรสภาพจิตที่ว่าแน่ว แ, แน่มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวหมายความว่ากําหนดจับอยู่กับสิ่งเดียวได้มันจะมีคุณภาพที่สําคัญคือหนึ่งมันมีพลังจิตที่เป็นสมาธิ แน่แน่จะมีพลังมีข้อประมาเหมือนกับว่าเราขึ้นไปบนยอดเขาอย่างขึ้นมาบนยอดเขาที่นี่ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับยอดเนินอันหนึ่งพอขึ้นมาบนนี้สมมติว่าเรามีน้ําอยู่ถังหนึ่งหรือมากกว่า น, นั้นสมมติว่าเราเทน้ําถังนั้นลงไปเราเทโดยวิธีที่ศาสตร์กระจายเข้ไป น้ำทั้งถังนั้นหรือแม้แต่ว่ามากกว่านั้นก็จะไม่ค่อยมีความหมายอะไรเลยมันจะกระจายพร่าไปหมดแต่ทีนี้สมมติว่าเราทำเป็นร่องน้ำเป็นรางแล้วก็เทน้าถังใหญ่ลงไปน้ำนั้นจะไหลไปทางเดียวเมื่อน้ำไหลไปทางเดียวแล้วจะพุ่งแรงมีกำลังสามารถพัดพาเอาสิ่งที่ขวางหน้ามันไปได้อันนี้จิตใจก็เช่นเดียวกัน ถ้าจะคิดสิ่งโน้นสิ่งนี้วุ่นวายฟุ้งซ่านไปมันก็ไม่มีกำลังแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เรากำหนดได้แน่ๆลงไปแล้วมันก็มีกำลังมาอันนี้เป็นสภาพจิตที่เป็นสมาธิมีคุณภาพประการที่หนึ่งอย่างนี้ทีนี้ต่อไปประการที่สองสภาพจิตที่เป็นสมาธิแน่แล้วก็เกิดความสงบความสงบนี้ ในตัวของมันเองก็มีภาวะที่เป็นคุณสมบัติที่ดีก็คือจะมีความสุขเมื่อจิตใจสงบสบายก็จะมีความสุขอันนี้เป็นคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ดีอยู่ในตัวของมันเองเพราะวาความสงบสุขของจิตใจนี่เป็นสิ่งที่คนปรารถนาอยู่แล้วแม้แต่เพียงได้ความสงบสุขของจิตใจนี้ก็นับว่าเป็นการได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของการเจริญสมาธิแต่ว่า คุณค่าของสมาธิไม่ใช่อยู่เพียงเท่านั้นประการต่อไปที่สําคัญซึ่งท่านถือว่าสําคัญที่สุดก็คือคุณค่าที่จะนําไปสู่การพัฒนาปัญญาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นบาดฐานหรือเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปสภาพจิตที่เป็นสมาธินี้ท่านเรียกว่าเป็นสภาพจิตที่เหมาะแก่งานหรือเหมาะกับการใช้งานภาษาพระเรียกว่านุ่มนวลควรแก่งานหมายความว่ามัน ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนมันนุ่มนวลเหมาะกับการที่จะนําไปใช้ประโยชน์ความจริงการนําจิตไปใช้ประโยชน์นั้นก็ใช้ทั้งในทางพลังจิตเองก็ได้ใช้ในทางปัญญาก็ได้หมายความว่าจิตนี้มันเหมาะกับการใช้งานแล้วก็อาไปใช้ในทางพลังจิตก็มันก็จะไปออกไปด้านหนึ่งหรือเราจะใช้ในทางปัญญาก็อาไปคิดพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วแม้แต่ว่าในชีวิตประจําวันอย่างที่ยกตัวอย่างเบื้องต้นเรานั่งฟัง ปาแต่คาถานี้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจชัดเจนหรือความเข้าใจนั้นไม่สืบต่อรู้เรื่องไม่หมดไว้ทั่วที่นี้ในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาปัญญาในระดับสูงที่พัฒนาสุดยอดกันเช่นเดียวกันก็ต้องการจิตที่เหมาะกับงานซึ่งเป็นสมาธินี้เมื่อจิตเป็นสมาธิท่านเลยก็เป็นจิตที่เหมาะกับการใช้งานก็เป็น การใช้งานในทางปัญญาพินิษฐพิจรารณาเรื่องอะไรต่างๆก็จะรู้เข้าใจตามความเป็นจริงก็รวมความว่าเราต้องการที่จะใช้ปัญญาที่พัฒนาอย่างถึ ง, ถงที่สุดหรือปัญญาที่พิจรารณาอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดก็ต้องการสภาพจิตที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันก็ต้องการสมาธิอย่างแนบสนิทนี่ก็ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับปัญญาแม้ในระดับที่สูงสุด ถ้าหากว่าเราจะพัฒนาแต่จิตใจอย่างเดียวจิตใจมันก็มีคุณสมบัติมากมายเช่นว่าเราอาจจะมีคุณธรรมต่างๆมีความเมตตากรุณามีศรัทธาเป็นต้นมันก็เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในใจเราอาจจะมีสมรรถภาพจิตมีความเข้มแข็งของจิตใจมีความกล้าหาญมีความเพียรพยายามมีความอดทนสู้กับกิจการงานต่างๆไม่ท้อถอยแล้วมีสติเป็นต้นเราก็ มีคุณสมบัติของจิตที่ดีงามหรือแม้แต่ว่าเราสามารถทำจิตให้สงบมีความเข้มแข็งมั่นคงและจิตสงบแน่ๆด้ยวยสมาธิเราก็มีความสุขสบายก็ดูเหมือนว่าจะพอแก่ความต้องการเข้าถึงจุดหมายของการพัฒนาจิตแต่ที่จริงนั้นถ้าดูให้ดีแล้วมันยังไม่ถึงจุดหมายสภาพจิตที่เป็นอย่างนั้นมันจะมีเชื่อ ของความไม่รู้อยู่ข้างไหนเป็นตัวที่แฝงอยู่ตลอดเวลาความไม่รู้เข้าใจต่อชีวิตของตนความไม่รู้เข้าใจต่อโลกสภาพแวดล้อมซึ่งจะออกผลมาเป็นการที่จะวางใจวางท่าทีไม่ถูกต้องการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายไม่ถูกต้องการแก้ปัญหาไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีอยู่แฝงอยู่แล้วเวลาที่เราต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ จิตใจของเราก็จะมีปัญหาอีกถ้าพูดกันอย่างวิธีปฏิบัติก็คือว่าเวลาเราอยู่ในสมาธิทําจิตให้เป็นสมาธิได้เราก็สบายดูก็เหมือนกับว่าเราหมดปัญหาแล้วแต่ออกจากสมาธิเมื่อไหร่สภาพจิตใจของเราก็กลับเป็นอย่างเดิมเราจะมีอาการที่ว่าเหมือนกับว่าเข้าไปสู่ภาวะที่เป็นจุดหมายนั้นได้ชั่วคราวเท่านั้นเองพอออกมาเผชิญกับสภาพความเป็นจริงของโลกและชีวิต แต่ความไม่รู้ต่อสิ่งทั้งหลายมันก็ยังมีบทบาทเข้ามาครอบงำชีวิตจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจของเราได้ดีที่สุดเราก็อยู่กับตัวเองได้ดีแต่เสร็จแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องแม้แต่วางใจวางท่าทีไม่ถูกต้องความไม่รู้แฝงอยู่ตลอดเวละนี้ปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวโยงเราเข้าหาสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่ข้างนอก ออกนอกตัวเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้องจิตใจของเราพัฒนาแล้วเราก็ยังอยู่กับตัวเองเรายังไม่สามารถจะเข้าถึงสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังโลกและชีวิตที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติแต่ด้วยปัญญาจะทําให้เราเข้าใจความจริงที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติทั้งหมดเบื้องหลังโลกและชีวิตพอปัญญาเกิดขึ้นก็คือเป็นตัวโยงเราเข้าหาความจริงของธรรมชาติ โยงเราให้เข้าถึงเบื้องหลังของธรรมชาติให้เข้าถึงตัวธรรมชาติได้ตัวธรรมะกฎของธรรมชาติความเป็นจริงพอถึงจุดนี้ก็คือการที่เราเข้าถึงสัจธรรมเพราะนั้นปัญญาเป็นตัวโยงข้อหาสัจธรรมและวด้วยการเข้าถึงสัจธรรมนี้เราจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายต่อธรรมชาติได้ถูกต้องมันจึงเป็นตัวที่กํากับในขั้นสุดท้ายตัดสินที่จะให้เราได้แก้ปัญหาได้ถึงที่สุด จึงบอกว่าเป็นการพัฒนาสูงสุดจึงต้องจัดปัญญาไว้เป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายเอาละอาตมาก็คิดว่าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่งตางๆในกระบวนการพัฒนามนุษย์นี้น่าจะเพียงพอทีนี้ก็จะพูดถึงตัวระบบอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นการสรุปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง3ในกระบวนหรือองค์รวมในระบบรวมของใจสิกขานั่นเอง ในเชิงปฏิบัติการในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่าองค์ประกอบทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญานี้จะมีความสัมพันธ์กันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือความสัมพันธ์แบบส่งทอดต่อนเนื่องกันเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ว่าองค์ประกอบแต่และอย่างจะมีความเด่นหรือถูกย้ำถูกเน้นขึ้นมาชัด ในแต่ละระดับแต่ละขั้นตอนต่างกันไปจากหยาบสู่ละเอียดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาในระดับที่หยาบก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเป็นตัวเน้นย้ำในขั้นตน้นอันนี้ก็คือสียเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกในภายนอกเรื่องกายวาจาการควบคุมพฤติกรรมทั้งหลายละฉะนั้นในระดับการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นนี้ก็จะเน้นเรื่องสียก่อน ทีนี้ต่อไปเมื่อพัฒนาสูงขึ้นไปแล้วส่งทอดต่อไปศีลก็จะส่งทอดไปสู่จิตใจที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่เรีกยกว่าใจศึกขาหรือการศึกษา3ส่วนนี้ในระดับที่สองก็จะเน้นเรื่องจิตใจเรื่องสมาธิจะเด่นขึ้นมาแล้วต่อไปเมื่อผ่านขั้นสมาธิไปแล้วก็จะไปถึงขั้นปัญญา ในขั้นสุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญญาเหมือนกับว่าเตรียมพฤติกรรมแล้วก็เตรียมจิตใจไว้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาปัญญาในขั้นสูงสุดปัญญาก็จะเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์แบบส่งทอดเป็นขั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นกระบวนการฝึกอบรมแบบที่ว่ามีขั้นตอนสามขั้นเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาส่งทอดต่อกันไป อันนี้เป็นความสัมพันธ์ในแบบหนึ่งนความสัมพันธ์ในแบบที่สองคือความสัมพันธ์เชิงบุรณาการความสัมพันธ์เชิงบุรณาการก็คือการถือว่าองค์ประกอบทั้งสมในการพัฒนานี้คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตใจและเรื่องปัญญานี้มันจะต้องมาสัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันทำหน้าที่ต่อ ก, กัน เพื่อให้เกิดผลรวมขึ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวในแง่นี้แล้วองค์ประกอบทั้งสามจะสัมพันธ์กันตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแบ่งออกไปเป็นขั้นตอนชัดเจนในทุกขั้นทุกตอนนั่นแหละจะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาในแง่นี้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบุรณาการซึ่งแม้แต่ในกิ จ, จกรรมทุกอย่าง แต่ละอย่างละอย่างที่เรากระทาเนี่ยก็จะต้องมีทั้งสีทั้งสมาธิทั้งปัญญาครบเสร็จเป็นเรื่องที่เสริมกันให้บริบูรณ์ถ้าเรามองความสัมพานธสองแบบนี้เอามาประสานกันเราก็จะเห็นว่าอ๋อที่จริงนั้นสีสมาธิปัญญานั้นมีอยู่ด้วยกันตลอดเวลาในทุกขัน้นทุกตอนนั่นแหละตั้งแต่ต้นทีเดียว ในการปฏิบัติในการพัฒนาก็มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเกี่ยวข้องโยงกันอยู่เสริมกันไปเรื่อยจกนกระทั่งถึงที่สุดแต่ว่ามันจะปรากฏออกมาภายนอกเด่นชัดเป็นขั้นเป็นตอนในแง่ที่ว่ามีการเน้นย้ำต่างกันในช่วงแรกศีลก็เน้นเด่นออกมาขั้ที่สองสมาธิหรือเรื่องจิตก็เด่นออกมาขั้นที่สาปัญญาก็เด่นออก อันนี้อตอมาคิดว่าโดยวิธีทงความเข้าใจอย่างนี้ก็คงจะมีความชัดเจนพอสมควรแต่นี้นตมาก็จะขอยกตัวอย่างว่าในกระบวนการพัฒนามนุษย์นั้นแม้แต่ในชีวิตประจำวันเราก็จะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและเราก็จะต้องนำเอาระบบ ก, การพัฒนาแบบนี้มาใช้เมื่อนำเอาระบบ ก, การพัฒนาโดยถือหลักตรายศีขาเป็นเกณฑ์ เราก็นําเอาหลักองค์ประกอบทั้งสานี้มาใช้ในกระบวนการดําเนินชีวิตของเราดําเนินชีวิตของเรานี้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องสําหรับมนุษย์ที่ยังไม่บรรลุจุดหมายจะเป็นการดําเนินชีวิตที่เป็นการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเราจึงบอกได้ว่ามรคคือวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตนั้นเมื่อทํำด้วยความมุ่งหมายในการฝึกฝนพัฒนาตนมันก็เป็นศิกขาคือการศึกษานี้เรานำเอาองค์ประกอบ3ส่วนมาพัฒนาตนเอง เราก็จะเห็นว่ามีองค์ประกอบสามอย่างนี้อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของเราถ้ามันมีไม่ครบแสดงว่าเราก็ปฏิบัติยังไม่ได้ครบถ้วนกระบวนการพัฒนานี่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องกิจกรรมทุกอย่างของเรานี่เราจะตรวจ ด, ดูได้ว่ามีทั้งศีสมาธิปัญญาเช่นเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งพอทําอะไรขึ้นมาเราก็มองดูอ้าวลองสํารวจตัวเองว่าหนึ่งในแง่ศีล พฤติกรรมของเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นโทษภัยแก่สังค ม, มอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้สังคมอยู่เป็นสงบสุขเราก็มองดูคุณค่าของการกระทําของเราในแง่พฤติกรรมทางสังคมว่าเป็นยังไงนี่ก็เป็นการสํารวจในแง่สี่ต่อไปในการกระทํานั้นจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเรามีความสุขสบาย มีความร่าเริงเบิกบานใจไหมมีความอิบอิ่มใจไหมมีความสุขไหมเราก็สํารวจดูจิตใจของเราหรือว่าไม่สํารวจในแง่เชิงของความสุขก็สํารวจในเชิงของการที่ว่าเออแรงจูงใจของเราในการกระทํานี้คืออะไรเราทํำด้วยแรงจูงใจที่มีความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวหรือมีอะไรเครือบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือเราทํำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือทํำด้วยความมุ่งหมายปรารถนาดี ทำเพื่อกลื้อกลูนด้วยเมตตาด้วยศรัทธาเป็นต้นนี่เราก็สํารวจได้การกระทํานั้นในแง่จิตใจก็ออกมาเรื่องสมาธิต่อไปในแง่ปัญญาเราก็สํารวจตัวเองได้ว่าในการกระทํานั้นเราเข้าใจเหตุผลในการกระทําของเราชัดเจนหรือไม่ว่าทําไมเราจึงกระทํากิจกรรมอันนี้หรือมีการแสดงออกอันนี้แล้วก็เข้าใจในแง่กระบวนการก็เหตุปัจจัยสืบทอดมาว่า การกระทํานี้จะทําให้เกิดผลอย่างไรบ้างในกระบวนการก็เหตุปัจจัยสืบต่อไปจะเป็นผลดีผลร้ายอย่างไรแล้วก็มองในแง่ของคุณโทษว่าการกระทํานี้มีคุณค่ามีประโยชน์หรือมีโทษมีข้อเสียหายอย่างไรอันนี้ก็เป็นการสํารวจในแง่ของปัญญาเพราะฉะนั้นในการกระทําอย่างเดียวนั้นจะมีทั้งสามอย่างเราก็จะต้องเอาหลักองค์ประกอบทั้งสามนี่แหละ ไปตรวจสอบตัวเองในกิจกรรมทุกอย่างของเราในการกระทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นในการกระทําทุกอย่างเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกต้องมันเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองของเราตลอดเวลาและเราก็ทําครบทั้งศี่สมาธิปัญญาถ้าเราไม่เอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้เราจะทํำด้วยความพลาดแล้วก็อาจจะมีความบกพร่องในการกระทํานั้นตกลงว่านี่แหละคือสี่สมาธิปัญญาที่เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ พฤติกรรมของเราที่เป็นการพัฒนามนุษย์ที่มีอยู่ตลอดทุกเวลาทุกครั้งรวมความก็คือว่าเราตรวจสอบตัวเองได้ว่าการกระทำแต่ละครั้งของเรานั้นในแง่พฤติกรรมมีผลเกี่ยวข้องกระทบต่อสังคมการอยู่ร่วมกันในโลกต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรในแง่จิตใจมีแรงจูงใจเบื้องหลังคืออะไรดีงามหรือไม่แล้วก็จิตใจนั้นมีภาวะ มีความสุขหรือความทุกข์อย่างไรในการกระทํานั้นมีความเบิกบานผ่องใสหรือไม่และก็สํารวจในแง่ปัญญารู้เข้าใจเหตุผลในการกระทํารู้คุณรู้โทษของมันหรือไม่รู้เหตุปัจจัยว่ามันจะส่งทอดต่อไปให้เกิดผลอย่างไรในเบื้องหน้าเป็นต้ น, านตอาตมาก็ยกตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของการที่นําเอาระบบกระบวนการพัฒนามนุษย์มาใช้ในกรณีย่อยๆในชีวิตประจำวนันในการกระทําทุกอย่างทีนี้ในเรื่องใหญ่ๆ ก็จะขอยกตัวอย่างบางในกรณีใหญ่ใหญการแก้ปัญหาอะไรต่างๆของมนุษย์แม้แต่ของสังคมนี้เมื่อว่าตามหลักของไตรสิกขานี้ก็จะต้องนําเอาหลักทั้งสารประการหรือองค์ประกอบทั้งศีลสมาธิปัญญาไปใช้ให้ครบ ก, การแก้ปัญหาของมนุษย์จึงจะสําเร็จได้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทําลายสภาพแวดล้อมหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เรากําลังสนใจกันมากในปัจจุบัน ในสังคมปัจจุบันนี้มีการคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้กันมากแ้วเสร็จแล้วบางทีก็ไปเถียงกันพวกหนึ่งก็จะใช้วิธีการทางปัญญาให้รู้ให้เข้าใจว่าการทําลายป่ามีโทษอย่างไรทําแล้วเสียหายอย่างไรมันจะกลับมาทําลายมนุษย์อย่างไรบางพวกก็ไปพูดในแง่ว่าโอ้ไม่ได้การที่จะให้คนรักษาธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติกต็จะต้องให้มีความรักธรรมชาติทําไงจะให้เขารักธรรมชาติได้อะไรอย่างงี้ หรือว่าบางคนก็มองปไปในแง่พฤติกรรมจะต้องออกกฎหมายมาควบคุมพฤติกรรมคนลงโทษกันให้หนักอะไรต่างๆเหล่านี้ให้การศึกษาที่ทําให้มีการควบคุมพฤติกรรมได้ดีรู้จักละเว้นสิ่งที่เป็นโทษบางทีก็อาจจะเอาองค์ประกอบด้านปัญญามาสัมพันธ์กับเรื่องพฤติกรรมด้วยว่าให้รู้คุณโทษของการรักษาหรือทําลายป่าแล้วก็จะทําให้มาควบคุมพฤติกรรมอะไรต่างๆซึ่งก็ บางทีก็เป็นการที่ว่าแยกออกไปต่างหากกันบ้างโดยใช้วิธีการอย่างอย่างใดหรือบางทีก็ประสานกันเข้ามาแต่ไม่ชัดเจนคือมันไม่มีหลักที่ออกมาเป็นระบบถ้าพูดในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราพูดได้เลยว่าจะต้องเอาองค์ประกอบสามอย่างนี้เข้ามาประสานกันให้ครบไม่ใช่ใช้แต่อย่างหนึ่งอย่างเดียวการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีอย่างหนึ่งอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจะทําให้ได้สําเร็จผลแท้จริงอย่างพวกที่ มุ่งทางความรู้เฮาองค์ความรู้บอกว่าให้เขารู้ว่าทําลายธรรมชาตินี้มันมีผลเสียหายก่อให้เกิดความพินาศอย่างไรจกนกระทั่งว่ามนุษยชาติอาจจะสูญสิ้นอะไรต่างๆอ้าวถ้าเขารู้แล้วเขาคงจะแก้ไขไม่ทํานี่ก็อาจจะรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นแต่เสร็จแล้วทังทังที่รู้นั่นแหละก็แก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคนปัจจุบันนี้ส่วนมากรู้แล้วว่า การทำลายธรรมชาติมีโทษอย่างไรแต่เขาก็ไม่แก้ไขไม่แก้พฤติกรรมของตนเองที่เป็นการทำลายธรรมชาติแต่ในกฎหมายคือออกกฎหมายมาบังคับควบคุมพฤติกรรมของคนทางกายวาจาในสังคมทำผิดก็ลงโทษก็แก้ไขไม่สําเร็จคนเราก็มีการทุจริตกันในแบบต่างๆเพราะนั้นมันเป็นการแก้ไขที่ไม่ครบกระบวนการไม่เป็นระบบ นในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าจะต้องแก้โดยใช้องค์ประกอบให้ครบทั้งสามด้านทั้งศีลสมาธิและปัญญาหรือทางด้านพฤติกรรมด้านจิตใจและก็ด้านปัญญาหรือตัวความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าเป็นสามประสานองค์ประกอบสามอย่างโยงประสานเข้ามาหากันเรื่องศีลก็คือขั้นควบคุมพฤติกรรมขั้นควบคุมพฤติกรรมนี้เาเราต้องมองตั้งแต่ ควบคุมพฤติกรรมชั้นหยาบที่สุดก็คือเป็นบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ในทางสังคมก็จําจเป็นต้องมีเหมือนการมีกฎหมายออกมาหรือระเบียบของหมู่คณะว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นการบอกในขั้นต้นให้รู้ว่าการกระทํานี้สังคมไม่ยอมรับแล้วถ้าทําไปแล้วฝ่าฝืนละเมิดกฎของสังคมอาจจะมีการลงโทษอะไรต่างๆนี่เป็นขั้นต้นหยาบที่สุดแต่แค่นี้ไม่เพียงพอเป็นการควบคุมพฤติกรรมขั้นหยา ก็มีไว้ยขั้นหนึ่งเรียกว่าขั้นวินัยในทางศาสนาเรียกว่าขั้นวินัยก็คือพวกกฎหมายหรือบัญญัติของสังคมมนุษย์นี่ต่อไปลึกเข้าไปก็คือขั้นที่ว่าควบคุมพฤติกรรมด้วยเจตนาที่ออกมาจากภายในของเขาเองตอนแรกเราเอากฎเกณฑ์บัญญัติของสังคมมาบังคับควบคุมพฤติกรรมบังคับให้เขาก็เจตนาต้องละเว้นขึ้นมาเป็นเจตนาที่เกิดจากการ บังคับจากภายนอกที่ได้ให้เกิดเจตนาจากภายในเจตนาจากภายในก็คือเขาเองพยายามควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาของตนเองไม่ให้เกิดผลเสียเช่นไม่มาทําลายสภาพแวดล้อมซึ่งการที่จะเกิดการควบคุมจากเจตนาภายในนี่แหละตอนนี้มันจะโยงไปหาการพัฒนาด้วยองค์ประกอบข้ออื่นใช่ว่าจิตใจเขามีศรัทธาต่อพระศาสนา าอาจจะเป็นกฎของศาสนาศาสนาบอกมาว่าให้รักษาธรรมชาติหรือทำไปแล้วเป็นบาปอะไรต่างๆทําลายสัตว์มีชีวิตเป็นบาปอะไรต่างๆให้เขาเชื่อเขาก็จะควบคุมพฤติกรรมของเขาได้เจตนาจากภายในของตอนงแต่รวมแล้วก็คือเป็นขั้นที่ควบคุมพฤติกรรมเหมือนกันเป็นขั้นที่เรียกว่าเป็นถึงตัวสีที่แท้จริงแต่ทั้งหมดทั้งขั้นวิทยที่เป็นบัญญัติของสังคมแล้วก็ขั้น ศีลที่เป็นเจตนาจากภายในนี้ก็รวมอยู่ในขั้นศีลด้วยกันนั่นแหละนี่เป็นขั้นที่หนึ่งซึ่งมนุษย์ก็จําเป็นทีนี้ต่อไปขั้นที่สองขั้นระดับจิตใจการแก้ปัญหาจิตใจจะทํำยังไงมันก็ต้องแก้เป็นให้ถึงที่สุดของจิตใจเป้าหมายของเราก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติจะทําอย่างไรในด้านจิตใจให้คนอนุรักษ์ธรรมชาติก็ให้เขามีความต้องการที่จะอนุรักษ์ นี่เป็นเรื่องทางจิตใจและถ้าเขามีความต้องการที่จะอนุรักษ์เขาก็จะอนุรักษ์การกระทำก็เกิดขึนแต่ว่าความต้องการนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรก็สืบหาหาเหตุปัจจัยตอบกก็จะมาถึงสิ่งที่คนส่วนมากพูดกันก็คือว่าก็ต้องรักธรรมชาติถ้าเขารักธรรมชาติเขาก็จะอนุรักษ์เขาก็ต้องการอนุรักษ์แล้วเขาก็จะอนุรักษ์ทีนี้กามีคำถามต่อไปอีกว่าทาไง จะรักธรรมชาติตอนนี้แหละที่มักจะไม่มีคำตอบกันเราจะพูดกันว่าให้รักธรรมชาติให้รักธรรมชาติแต่ว่าความรักธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างไรที่มันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจที่แท้จริงเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในทางด้านจิตใจเพียงแต่รู้คุณค่าประโยชน์บางทีไม่เพียงพอที่จะให้เขามารักธรรมชาติเขารักผิวเผินแต่ถ้ามีองค์ประกอบทางจิต ที่มันเป็นจุดหมายของจิตใจแท้จริงมาและมันจะเกิดความรักธรรมชาติได้ความรักธรรมชาติเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยทางจิตคืออะไรก็บอกว่าเกิดจากการที่เขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาตินี่เป็นคำตอบทําอะไรเขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติเมื่อนั้นเขาจะรักธรรมชาติแล้วความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติมันจะมาเป็นตัวเสริมเอง ก็ยิ่งทําให้เขามีความสุขมากขึ้นถ้าเขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติเขาก็จะรักธรรมชาติโดยอัตโนมัติอันนี้เ ป, นเป็นกระบวนการก็เหตุปัจจัยในทางจิตพราะฉะนั้นในทางจิตใจเราก็จะต้องทําให้คนนี้รู้จักมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาจะรักธรรมชาติแล้วเขาจะมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและเขาก็จะอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วจิตใจที่เป็นอย่างนี้ก็ออกผลไปสู่ขั้นศีลก็คือเขาจะควบคุมพฤติกรรมเขาในการที่จะ ปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยนี่เป็นระดับที่สองต่อไปแค่นี้ท่านถือว่ายังไม่พอก็ต้องมีขั้นที่สามคือขั้นปัญญาด้วยขั้นปัญญาก็คือความรู้เข้าใจความรู้เข้าใจเหตุผลในกากนรกระทําที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินั้นว่าการทําลายมีโทษอย่างไรการอนุรักษ์ธรรมชาติมีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่ายอย่างไร ซึ่งจะมีผลส่งไปถึงฐานะจิตใจด้วยว่าเขารู้เข้าใจแล้วว่าถ้าทําลายธรรมชาตินี้ธรรมชาติเสียไปเขาจะหาความสุขไม่ได้และถ้าหากว่ารักษาธรรมชาติอยู่เออเขาก็จะมีความสุขกับธรรมชาติได้ต่อไปแล้วแต่เขาต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงรู้วิธีที่จะรักษารู้เหตุปัจจัยในกระบวนการที่จะทําให้เกิดผลในการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมานี้ก็คือเป็นเรื่องของปัญญาตลอดถึงการที่ว่า ความรู้เข้าใจที่เป็นพื้นฐานในเชิงทัศนคติเช่นทัศนคติในการที่ว่ามนุษย์นี้จะต้องพิชิต ธ, ธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติถ้าหากว่ามนุษย์มีความเห็นอย่างนั้นปัญญาความเข้าใจของเขาบอกอย่างนั้นคือเขาไปเห็นว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่การพิชิตธรรมชาติได้เอาชนะธรรมชาติอย่างที่ การพัฒนาของสังคมที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นการพัฒนาในยุคอุตสิ์กรรมเนี่ยทให้คนมองว่าความสุขของมนุษย์นี่จะสําเร็จได้ในการเอาชนะธรรมชาติถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้นี่เป็นความเห็นในเชิงปัญญามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่การพิชิตตธรรมชาติได้จัดการกับธรรมชาติตามประสงค์เพื่อเอาธรรมชาติมารับใช้บำรุงบเรุมนุษย์ถ้าเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อธรรมชาติ มองเห็นธรรมชาติเป็นศัตรูเป็นตัวขัดขวางความสุขอันนี้จะเป็นตัวขัดขวางที่ทําให้การอนุรักษ์ธรรมชาติไม่สําเร็จมันเป็นตัวที่มีความหมายเชิงทัศนคติเมื่อเกิดความเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทัศนคติเป็นค่านิยมแล้วเขาก็จะมองเห็นว่าการทําลายธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีและอันนี้จะทําให้แก้ปัญหาได้ยากอย่างคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราได้ปลูกฝังกันมานานว่าให้เห็นว่าความสุขของมนุษย์เนี่ย จะเกิดขึ้นได้จากการที่พิชิตธรรมชาติและจัดการธรรมชาติเอาธรรมชาติมารับใช้บำรุงบำเหนมนุษย์ตามต้องการแต่ความรู้สึกทัศนคติความเข้าใจนี้แฝงอยู่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติปัจจุบันจึงทําได้ยากเพราะได้ฝังความเข้าใจนี้มานานเพราะฉะนั้นในขั้นพื้นฐานนี้จะสร้างสร้างปัญญาที่จะมาแก้ทัศนคติอันนี้ด้วยให้รู้เข้าใจว่า ชีวิตมนุษย์ที่ดีงามที่สูงสุดนั้นไม่ใช่อยู่ที่การเอาชนะธรม ร, ธรมชาติหรือจัดสรรธรรมชาติเบียดเบียนธรรมชาติแต่ว่ามันอยู่ในขอบเขตที่ว่ารู้จักพัฒนาตัวมนุษย์เองให้อยู่กับสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องการเอาชนะหรือพิชิตธรรมชาตินั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจที่ว่าจะต้องปรับให้พอดีคือมนุษย์ แจะต้องมีการจัดการกับธรรมชาติบางอันนั้นเป็นธรรมดาแต่มันจะมีขอบเขตอยู่ที่ว่ามนุษย์เองนั่นแหละจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นต่าถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสภาพแวดล้อมนั่นเองให้ดำรงอยู่ได้โดีดังนั้นขอบเขตที่ว่าการปฏิบัติถูกต้องเนเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เอาขอบเขตไปอยู่ที่การพิชิตการพิชิตการเอาชนะมีขอบเขตคือการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดีต่อชีวิต ก็ต่อบธรรมชาตินั้นเองอันนี้ก็คือการที่ว่าเราจะมาพัฒนามนุษย์ในวิถีฐานที่ถูกต้องก็ไปอันว่าแม้แต่ปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาตินี้จะทําให้สําเร็จได้นี่จะต้องใช้หลักสามประสานคือการเอาองค์ประกอบของสีสมาธิปัญญามาใช้ให้ครบนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะามายกมาให้ดูนี่ก็จะขอผ่านไปสาระสําคัญในตอนนี้ก็ต้องการมุ่งให้เห็นว่า ระบบใจศกขาหรือศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นระบบที่องค์ประกอบทั้งหลายมีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงสืบทอดต่อเป็นขั้นตอนและก็ในเชิงบูรณาการที่อิงอาศัยสัมพันธ์เสริมกันให้บริบูรุษเราก็จะได้นำหลักเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนามนุษย์ในการเจริญภาวนาต่อไปทีนี้ตอนนี้เรามาเน้นในเรื่ององค์ประกอบในระดับที่สองกับสาคือขั้นสมาธิและปัญญา คือขั้นจิตภาวนากับปัญญาภาวนาโดยที่เรามีความเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ละเลยมองข้ามความสําคัญของการพัฒนาระดับศีลแต่ตอนนี้เราลงลึกไปหมายความว่าในระดับพฤติกรรมนี้เราถือว่าพร้ อ, อยู่แล้วตอนนี้เราลงลึกไประดับจิตและปัญญาทีนี้มาพูดถึงระดับจิตและปัญญาโดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจก็บอกแล้วว่าได้แก่คาว่าจิตภาวนา แล้พัฒนาปัญญาก็คือสัพปัญญาภาวนาอันนี้ก็จะอธิบายเสริมให้เกิดความชัดเจนขึ้นอีกเล็ ก, ลกน้อยบอกเมื่อกี้นี้บอกว่าจิตภาวนานั้นเรียกชื่อให้มันจำกัดชัดลงไปก็เ ร, เรียกว่าสมถะภาวนาแปลว่าการเจริญสมถะหรือเรียกสันส้นๆว่าสมถะการทำจิตใจให้สงบให้เกิดสมาธิ แล้วปัญญาภาวนาก็เรียกชื่อให้จำกัดลงไปว่าเป็นปัญญาในขั้นที่เห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายซึ่งเรียกว่าวิปัสนาเรียกเต็มว่าวิปัสนาภาวนาตอนนี้เราก็เลยพูดสัส้นๆว่าจิตภาวนาก็เรียกง่ายๆว่าสมถะปัญญาภาวนาก็เรียกง่ายๆว่าวิปัสนาก็เลยเจริญสมถะเจริญวิปัสนาจะเรียกสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาหรือจะเรียกสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานก็ได้ถ้าเรียก ภาวนาก็เรียกในความหมายว่าพัฒนาริเจริญคือสมถภาวนาพัฒนาเจริญสมถะก็ะเจริญความสงบจิตวิปัสสนาภาวนาก็พัฒนาความเห็นแจ้งปัญญาที่รู้แจ้งความจริงถ้าใช้ว่าสมรรถกรรมฐานก็หมายความว่าสิ่งที่เอามาให้งานให้จิตทํางานกรรมฐานนี่แปลว่าสิ่งที่เป็นติดตั้งในการงานหมายความว่าเราทํางานในด้าน ที่จะพัฒนาจิตนั่นเองแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานก็หมายความว่าหางานมาให้ทําในแง่ที่ว่าทํางานเพื่อพัฒนาวิปัสสนาพัฒนาปัญญาที่เห็นแจ้งก็ไอ้ตัวกรรมฐานก็คือสิ่งที่เอามาใช้ในการปฏิบัติสิ่งที่นำาใช้เป็นตัวทํางานนั่นเองก็คือสิ่งที่มาใช้ในการทํางานเพื่อพัฒนาสมถะแต่สิ่งที่นํามาใช้ ในการทำงานเพื่อพัฒนาปัญญาสองประการนี้จุดแตกต่างที่สำคัญก็คือเราจะมามองที่หลักการหลักการของสมถะก็คือการมุ่งให้จิตใจเนี่ยมีจุดที่กําหนดแน่วแ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวทางภาษาพระสิ่งที่จิตกาหนดเราเรียกว่าอารมณ์อันนี้ขอให้ทำความเข้าใจให้ชัดอย่าไปปะปนกับภาษาไทย คำว่าอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยอารมณ์ในภาษาไทยนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า emotion ในที่นี้อารมณ์ในภาษาพระอย่าได้ไปเข้าใจสับสนกับคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยเลยอารมณ์ในภาษาพระในที่นี้แปลว่าสิ่งที่จิตยึดเหนี่ยวสิ่งที่ถูกจิตรับรู้หรือสิ่งที่เป็นตัวให้จิตรับรู้นั่นเองอะไรก็ตามที่จิตรับรู้เช่นว่ารับรู้ทางตา สิ่งที่เราเห็นก็เรียกว่าอารมณ์ทางตาสิ่งที่เรารับรู้ทางหูเสียงที่ได้ยินก็เป็นอารมณ์ทางหูสิ่งที่เราลิ้มรสรสที่เราลิ้มนี้ก็เป็นอารมณ์ของลิ้นและก็สิ่งที่เราคิดนึกในใจก็เป็นอารมณ์ของจิตใจก็คืออ็อบเจกต์หรือเซนส์อ็อบเจกต์เพราะฉะนั้นอารมณ์ในความหมายธรรมะนี่ต่างจากภาษาไทยอันนี้อารมณ์หรือสิ่งที่จิตกําหนดสิ่งที่จิตเข้าไปเกาะไปยึดไปจับเนี่ย เราจะคิดนึกถึงมันแล้วเราก็ผ่าจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์โน้นอยู่ไม่สุขจิตของเราอยู่ไม่เป็นสุขเป้าหมายของการเจริญสมถะก็คือให้จิตเนี่ยมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวอยู่ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนานเท่านานทำอะไรจิตของเราอยู่กับอารมณ์หรือสิ่งที่กำหนดอันหนึ่งอันเดียวได้นั่นก็คือสำเร็จเป็นสมาธิ เปาหมายของการเจริญสมาธิก็คือการทำให้จิตมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ที่อารมณ์หนึ่งเดียวนี้ก็ไปอ่านว่านี่คือหลักการของสมถะทั้งหมดไม่ได้พูดในแง่หลักการแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายสมถะนั้นมีหลักการอยู่แค่ว่าทำให้จิตเนี่ยมีอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไร ก็ตามบางทีเราไปพูดกันว่าอ๋อไปทําสมถะเจริญสมาธิไปพูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายวิธีการต่างๆแตกต่างกันไปนานับกระตารแต่ว่าที่แท้แล้วเนี่ยหลักการมีอันเดียวหลักการอันเดียวนี้ก็คือการทําจิตให้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จิตกําหนดไว้ได้เอาละนี่คือหลักการของสมถะการที่จิตแน่ๆอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่กําหนดหรืออารมณ์เดียวนี้ เรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิก็เป็นเป้าหมายของสมถะหรือจิตภาวนาทีนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนี้สภาพจิตก็จะประณีตยิ่งขึ้นสมาธินี้ก็จะเป็นแกนกลางของสภาพจิตสภาพจิตที่ประนีตขึ้นไปตามลำดับในระดับต่างๆนั้นท่านเรียกว่าฌานหมายความว่าจิตที่มีสภาพที่สงบ มีคุณสมบัติต่างๆโดยมีสมาธิเป็นแกนกลางเนี่ยก็จะมีการพัฒนาประณีตขึ้นไปตามลําดับซึ่งสภาพจิตเหล่านั้นทั้งหมดไม่ว่าอยู่ในระดับใดเรียกว่าฌานและตกลงว่าจากการเจริญสมถะที่ําให้เกิดสมาธินี้เราก็จะได้ฌานฌานก็เลยเรียกกันว่าเป็นจุดหมายของการเจริญสมถะฌานก็คือสภาพจิตที่มีสมาธินั่นเอง มีสมาธิเป็นแกนกลางแล้วก็ประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับเป็นชั้นๆต่อไปในด้านวิปัสสนาหรือการพัฒนาปัญญาหลักการของวิปัสสนานั้นก็คือการมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือรู้แจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเท่านั้นเอง ถ้าทําให้เกิดภาวะนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของวิปัสสนาทีนี้การรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นนี้ก็จะมีการพัฒนาประณีตขึ้นไปลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับเป็นขั้นเป็นขั้นความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในระดับต่างๆนี้มีชื่อเรียกว่าญาณญาณก็คือปัญญาที่รู้เข้าใจ สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในระดับต่างๆตอนนี้ยิ่งขึ้นไปเป็นญา น, นั้นญาณ น, นี้ตอนนี้แหละจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสนาในแง่ของสับที่เป็นเป้าหมายก็คือสมถะนั่นนําไปสู่ฌานส่วนวิปัสนานําไปสู่ญาณหลายคนจะสับสนกับสับทั้งสองนี้เอาฌ า, า, า, านเป็นญาณเอาญาณเป็นฌาน เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ขอให้แยกให้ถูกฌานเป็นเรื่องของการที่จิตสงบแน่วแน่เป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของสมถะส่วนญาณเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของวิปัสสนานีอยตมาก็คิดว่าเพียงเท่า น, นี้ก็ทําให้เกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วเอาละทีนี้ต่อไปเมื่อเราเข้าใจหลักการของสมถะว่ามุ่งให้ใจแน่วทําให้ใจแน่วเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิให้เกิดฌาน แล้วก็หลักการของวิปัสสนาก็ทําให้เกิดความรู้เข้าใจตามที่มันเป็นทําให้เกิดญาณแล้วทีนี้ก็ไปสู่หลักปฏิบัติจากหลักการทั่วไปก็ไปสู่หลักปฏิบัติในด้านหลักปฏิบัติการเจริญสมถะหรือจิตภาวนานั้นก็หาเอาอารมณ์มาให้จิตกําหนดหรือจับยึดเหนี่ยวทีนี้อารมณ์ที่จะให้จิต จับกำหนดเพื่อจะได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แน่วแน่เนี่ยก็ต้องมีการเลือกสรรมือนกันไม่ใช่เอาอารมณ์ที่เรื่อยเปื่อยมาโดยที่อาจจะเลือกเอาสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วก็ทําให้ลอดจิตให้คิดฟุ้งซ่านเราจะเห็นว่าสิ่งที่จิตมากําหนดจับเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าก็เลือกไม่ถูกต้องเนี่ยแทนที่จะได้ผลดีเนี่ยจิตกับคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายไปยเช่นว่า อยากจะได้แล้วก็คิดปรุงแต่งไปคิดเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้อไปหรือว่าบางอย่างมันรบกวนจิตใจทําให้ระคายเคืองก็ทําให้เกิดความหงุดหงิดไม่สบายเพราะฉะนั้นอารมณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเลือกสรรเหมือนกันก็หมายความว่าต้องหาสิ่งที่ว่าจิตมันจะอยู่ได้โดยไม่มากระทบกระเทือนระคายเคืองจิตแล้วก็ไม่รอดจิตให้วุ่นวายสับสนเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันไป ก็เอาอารมณ์ที่โดวยว่าเป็นกลางๆหรือเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าทางด้านจิตใจนั่นเองทําให้จิตใจเนี้ยได้เกิดความสงบขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เกิดสมาธิแน่ๆหลักการในการเลือกหาอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้คือหาสิ่งที่จะทําให้จิตใจเนี้ยเป็นกลางๆเป็นอย่างน้อยหรือว่าเป็นคุณค่าที่ทําให้ใจสบายอยู่กับสิ่งนั้นได้ดีไม่เกิดผลเสียทีนี้เพื่อจะให้เกิดความสะดวกท่านก็เลยจับสัน อารมณ์มาให้ไอสิ่งที่จักสรรมาให้เป็นอารมณ์สําหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เรียกกันง่ายๆว่ากรรมฐานก็คือสิ่งที่เอามาให้จิตทํางานหรือว่ที่ตั้งการทํางานของจิตก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่ท่านเลือกสรรไว้ให้เราเนี่ยมีสี่สิบอย่างเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบหรือจะเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานสี่สิบอย่างก็ได้ แล้วเราก็เลือกเอาจากสี่สอย่างนี้มาใช้ยกตัวอย่างเช่นว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือการแผ่เมตตาหรือที่ใช้กันบ่อยก็คือการกําหนดลมหายใจเอาลมหายใจมาเป็นอารมณ์ให้จิตกําหนดนี่แหละสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานหรือเป็นตัวกรรมฐานถ้าไป็นอันว่าเอาอารมณ์ที่ท่านเลือกสรรไว้ให้เราแล้วนี่เพื่อความสะดวกเราขี้เกียจที่จะไปเลือกหาอารมณ์อื่น ก้าจากที่ท่านจัดไปให้สี่สิบอย่างเลือกเอาก็มีวิธีเลือกอีกแตต้องให้เหมาะกับพื้นนิสัยจิตใจอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ไม่พูดในทีนี้ก็ตกลงว่าให้เลือกมาอันหนึ่งละอย่างที่นิยมปัจจุบันนี้มักจะให้กันในการกําหนดลมหายใจก็เอามาอย่างหนึ่งแล้วก็เอาจิตกําหนดให้จิตเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นเช่นอยู่กับลมหายใจนั้นไปเรื่อยๆไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นมาให้จิต ลอยไปหาอารมณ์อื่นจนกระทั่งว่าจิตแน่แน่อยู่กับลมหายใจเป็นต้นนั้นแล้วนั่นก็คือเกิดสมาธิขึ้นมาจิตใจก็จะพ้นไปจากกิเลสหรือความรู้สึกอะไรต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่จะลบกวนที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านไปได้ข่าวแล้วนี่จะเรื่องของสมถะหรือจิตตภาวนาทีนี้ในแง่ปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาก็มีหลักปฏิบัติในแบบที่ว่า แทนที่จะเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากําหนดอยู่ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นเรื่อยไปแทนที่จะทําอย่างนั้นอา้าวไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วกลับบอกว่าให้ตามดูรู้ทันอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหมายความว่าประสบการณ์ของชีวิตที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเราตามดูรู้ทันมันตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดนั้นๆทีนี้ประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์นี้ก็มีมากมายหลายอย่าง ก็จัดได้เป็นหมวดเป็นประเภทอย่างที่ท่านนิยมจัดไว้ก็จัดเป็น เ, เรื่องที่เราจะเข้าไปกำหนดรู้ด้วยสติก็เรียกกันว่าสติปฐานคือสิ่งที่เป็นจุดกำหนดหรือเป็นที่ตั้งของสติก็จัดไว้เป็นสี่ประเภทด้ยกันคือเรื่องของกายเรื่องของความเคลื่อนไหวความเป็นไปทางด้านร่างกายนี่าง แล้วก็เรื่องเวทนาเรื่องของความรู้สึกสุขทุกข์ในอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องจิตสภาพจิตใจจิตใจขุนโมฟ่องใสอะไร ต, ต่างๆเหล่านี้อย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องสิ่งที่คิดนึกในใจเรียกว่าธรรมารมอย่างหนึ่งก็เป็นสี่อย่างสี่ประเภทเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราที่ถ้าจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ไปแล้วซึ่งมันจะเข้ามาปรากฏ แก่จิตใจของเราเราก็ตามดูรู้ทานมันตามเป็นจริงตามที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นในขณะนั้น น, น, นี่คือหลักการของวิปัสสนาเมื่อเราตามดูรู้ทานสิ่งเหล่านี้แล้ ว, ลวรู้เหตุตามเป็นจริงก็จะเกิดญาณในระดับต่งตางๆอย่างที่กล่าวมาแล้วที น, นี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือทั้งสมถะและวิปัสสนาหรือว่าจิตภาวนาก็ดีปัญญาภาวนาก็ดีเนี่ยจะต้องอาศัยสติ เป็นตัวนำหรือเป็นตัวเริ่มต้นใดกันทั้งสองอย่างอย่างข้อปฏิบัติในการเจริญสมถะหรือทำสมาธิเนี่ยจะมีหลายอย่างที่ลงท้ายด้วยสติเช่นพุทธานุสติธรมานุสติมรณสติอาณาปานาสติพุทธานุสติก็คือเราราลึกถึงคุนพระพุทธเจ้าธรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรม มรณะสติและลึกถึงความตายอาณาปานสติและลึกถึงลมหายใจเข้าออกเอาจิตเอาสติมากําหนดไว้กับสิ่งนี้สติก็จะเป็นตัวนําแต่ว่าในสมถะ น, นั้นสติจะเป็นตัวนําเพื่อจะให้สมาธิมารับช่วงไปเพราะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้นั้นตอนแรกสติจะต้องไปเริ่มก่อนเพราะสติเป็นตัวที่จะไปกํากับจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเรา มีสติก็คือเราเอาจิตเนี่ยไปกํากับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่ากํากับแล้วไม่อยู่ก็คือไม่มีสมาธิเราก็ต้องเอาสติมากํากับอีกดึงกันอยู่นั่นเองทีนี้พอกํากับดึงอยู่พอมันอยู่แนบสนิทสมาธิก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติก็เป็นตัวนํานําไปสู่สมาธิการฝึกสมาธิจึงต้องนําด้วยสติเอาสติมาเป็นตัวกําหนดกํากับจิตในเบื้องตน้นแล้วก็ เมื่อจิตแน่วแน่แล้วก็เป็นสมาธิทีนี้ด้านวิปัสสนาบ้างวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติเช่นเดียวกันอย่างในหลักสติปัฏฐานนี่ก็บอกว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งหรือทำเป็นที่ตั้งของสติก็คือเอาสติเป็นตัวนาแต่สติในทีนี้ไม่ได้มุ่งที่จะนำให้เกิดสมาธิคือสมาธิไม่ได้เป็นตัวเป้าหมายแต่มันจะพลอยเกิดขึ้นมาเอง แต่ว่าไม่ใช่เป็นสมาธิที่ต้องเข้มข้นอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของการเจริญสติในกรณีนี้การเจริญสติในกรณีนี้มุ่งปัญญาเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวนําเพื่อทํางานควบคู่ไปกับปัญญาในวิปัสสนาสติก็จะเป็นตัวจับอารมณ์หรือกํากับคุมจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ปัญญาพิจารณานี่ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาว่าสมถานั้น สตินำส่งต่อให้สมาธิเกิดขึ้นแต่ว่าวิปัสสนานั้นสติเป็นตัวส่งต่อให้แก่ปัญญาที่มาพิจารนารู้เขา้เขาใจความจริงต่อไปอันนี้ในแง่ผลผลสูงสุดการเจริญสมถะหรือจิตภาวนาสมถะหรือจิตภาวนานั้น เมื่อทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้จน่ระทัเกิดชาญขึ้นมาจิตก็จะสงบผ่องใสพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์มีความสุขแต่เป็นสภาพที่มีอยู่ได้ชั่วคราวภาษาพระเรียกว่าดับทุกข์ได้ชั่วคราวมันไม่ถาวรไม่ยั่งยืนเป็นเหมือนกับกดหรือข่มเอาไว้เป็นการดับทุกข์ดับกิเลส ด้วยการกดหรือข่มไว้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอาหินไปทับหญ้าเพราะเอาหินออกหญ้าก็จเจริญงอกงามขึ้นมาได้ใหม่ทีนี้การใช้วิธีของสมถะก็เช่นเดียวกันกิเลสและความทุกข์นั้นยังอยู่เวลาเราอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานก็มีความสุขมีความสงบจิตใจสะอาดผ่องใสแต่ว่าเมื่อไรออกจากสมาธิเมื่อนั้นมาอยู่ในชีวิตประจําวัน ไปกระทบเข้ากับสิ่งต่า ง, างๆที่เข้ามารักยเคืองจิตใจจิตใจก็อาจจะไม่สบายอีกมีความไม่รู้มีวิชาแฝงอยู่มีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอไปเพราะนั้นถ้านบอกผลของสมถะนั้นทำให้เกิดนิโรธแบบชั่วคราวที่เกิดจากการกดหรือข่มไว้ระงับไว้เรียกเป็นภาษาสั์เทคนิคันเทิรว่าวิกัมพณะนิโรธหรือถ้าเรียกเป็นความหลุดพ้นเป็นวิมุตก็เรียกว่าสมยวิมุต เป็นความหลุดพ้นช่วคราวชั่วสมัยท่นี้ในด้านวิปัสนาวิปัสนาหรือปัญญาภาวนานั้นส่งผลคือการที่จะชำระล้างอวิชชาเลยก็กำจัดรากเหง้าต้นตอของกิเลสและความทุกข์ได้หมดเพราะฉะนั้นจะเกิดภาวะที่เรียกว่าดับทุกข์ดับปัญหาได้แบบสิ้นเชิงเด็ดขาดเรียกเป็นภาษาพราวะว่าสมุทเฉทนิโรธหรือถ้าเรียกเป็นวิมุตติความหลุดพ้นก็เป็นอสมยวิมุตติ คามหลุดพ้นที่ไม่จํากัดสมัยอาสมะยะก็คือไม่มีสมัยไม่จํากัดสมัยไม่จํากัดเวลาก็คือตลอดไปโดยสิ้นเชิงนี้ก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างสมถะและวิปัสสนาในแง่ผลแล้วความสมัมพันธ์ระหว่างสองอันก็คืออย่างที่อาตมากล่าวแล้วถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือเอาสมถะมาเป็นฐานของวิปัสสนาก้าวต่อสู่วิปัสสนาก็คือว่าเจริญสมถะจนกระทั่งจิตเกิดสมาธิได้ฌานก็ตาม หรือไม่ถึงฌานก็ตามได้สมาธิแล้วพอเพียงก็กล้าไปสู่การเจริญวิปัสสนาต่อไปในการหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ชั่วคราวดับทุกข์ชั่วคราวก็จะมีผลเป็นการดับกิเลสดับทุกข์ความหลุดพ้นเป็นอิสรภาพที่สมบูรณ์สิ้นเชิงตลอดกาลก็จะมีผลสมบูรณ์อันนี้อาตมาก็ได้กล่าวหมดแล้วทั้งหลักการทั้งหลักปฏิบัติทั้งผลที่หมายผลที่จะเกิดจากสองอย่างนี้พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง กิจภาวนาและปัญญาภาวนาก็คิดว่าได้พูดมาพอสมควรไปเวลาและกันเนื้อหาสาระตอนนึกว่าคงจะครอบคุมพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอโนโมทนาทุกท่านที่ได้สดับจับฟังในเรื่องนี้ด้วยความเอาใจใส่แล้วขอให้ปัญญาจงเกิดขึ้นกับท่านจากการสดับนี้แล้วก็มีผลต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจ โดยเฉพ า, าก็คือพัฒนาจิตใจและปัญญาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมสืบต่อไปขออนุมโมทนาจเจริญพรเพียงเท่านี้